หลวงพ่อไม่อยู่วัดสองวันไปธุระนะธุระของพระธุระของโยมธุระของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สรุปแล้วก็คือธุระเหมือนกันทําธุระธุระของพระอย่างเนี้ยธุระของญาติโยมก็อีกอย่างหนึ่งแต่สรุปแล้วก็คือพวกเราทุกสถานะ ทุกทุระต้องคิดไว้อยู่คิดไว้ในใจเสมอว่าข้าพเจ้าจะต้องทำในเรื่องที่ธุระของข้าพเจ้าให้ดีที่สุดไม่ให้กระทบตนและผู้อื่นไม่ให้เบียดเบียนตนและผู้อื่นไม่ให้ย่อหย่อนทำมันเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็พยายามทำให้ดีที่สุดอย่าให้เตือ่อรตอนตนและผู้อื่นอันนี้คือ ให้คิดไว้ในใจถึงจะทำยังไงเราก็ต้องได้ทำแน่ๆเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแต่ถึงจะทำดีขนาดไหนหาที่ตำหนิไม่ได้แต่อีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องแบมือวางมือทั้งหมดเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างแต่ทำดีขนาดไหนก็อะนะอันนี้เราก็ต้องคิดไว้ในใจของเราอีกเหมือนกัน นอกจากบุญกุศลที่เราได้ทำดีไว้แล้วนั้นเราคิดขึ้นเวลาใดเราสบายใจเราเป็นสุขใจในการกระทำในการคิดของเราในการทำของเราในการพูดของเรานั่นแหละคือบุญกุศลบุญกุศลนี้ใครจะสร้างให้แก่เราไม่ได้คนอื่นเขาทำก็เป็นเรื่องของเขาเหมือนกับการเรียนหนังสือ การเรียนหนังสือใครจะเรียนแทนเราไม่ได้ถึงเขาจะหัวดีขนาดไหนก็เถอะเขาเรียนแทนเราไม่ได้เราต้องเรียนเองบุญกุศลเข้าสู่จิตใจก็เหมือนกันใครจะทําให้แก่ร้องไม่ได้เราเป็นผู้ทําเองการเรียนหนังสือก็เช่นเดียวกันเขาจะเรียนแทนเราไม่ได้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงจะเรียนแทนเราไม่ได้มีแต่แนะนําเราตนเอง เมื่อเขาเรียนเข้าใจแล้วเขาก็มาแนะนําเราเราจะต้องเรียนรู้จากเขาอีกสรุปแก็คือเราเรียนเองการออกกําลังกายก็เหมือนกันจะให้คนอื่นออกกําลังกายแทนเราไม่ได้เราจะต้องออกกําลังกายเองถึงเขาจะออกกําลังกายออกกำลังกําลังกายให้เรากายภาพบําบัดเขาก็ทําให้ แต่ทั้งยังไงมันก็สู้ตนเองออกกําลังกายไม่ได้แต่คนอื่นออกให้ก็อย่างนั้นน่ะเหมือนกับคนเรียนหนังสือต่างเราอย่างนั้นน่ะแต่การภาวนาก็เช่นเดียวกันคนอื่นจะภาวนาแทนเราก็ไม่ได้ทําความเข้าใจในเรื่องสติปัฏฐานอริยสัจหรืรอว่าจิตภาวนาสมถะและพิปัจนา ใครจะทำแทนเราไม่ได้นอกจากเราจะทำเองนี่แหละการปฏิบัติภาวนาก็ทำเองการออกกําลังกายก็ทำเองการเรียนหนังสือก็เรียนเองพวกเราคิดดูทีว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมแต่นี่กรรมคือการกระทำถ้าเราทำดีดีแล้วเราไม่ได้ทำชั่วคนอื่น เขาจะว่าเราทำชั่วเราก็ไม่ชั่วอย่างที่เขาพูดเพราะเราทำดีแต่ถ้าเราทำชั่วถึงเขาจะไม่พูดมันก็เป็นชั่วเป็นความชั่วของเราเองตราปิดปิดบงับงๆงเอาไว้ซ่อนเอาไว้ถึงเขาจะพูดถึงเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามอันนั้นคือความชั่วอันนี้เราให้ก็ให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทำเพราะนั้น เพราะเหนั้นพวกเราอย่าไปตนุกให้ทําคุณงามความดีไปเรื่อยๆคุณงามความดีนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของเราต่างคนต่างถึงอีกสักวันหนึ่งถึงเขาจะพยองพองตัวดุด่าว่ากาวคนอื่นกเ็เถิผดผลที่สุดอีกสักวันหนึ่งก็ยิงน้ำนอนนอนหงายหน้าหญิงเขี้ยวให้เขาลดน้าํามะพร้าวเหมือนกันนะั่นแหละ ทำไมว่าลดน้ํำมะพร้าวทุกคนก็ต้องตายเพาะงั้นบ้านนอกเวลาเขาตายเขาเอาน้ํามะพร้าวมาลดหน้าเน่ยว่าน้ํามะพร้าวเป็นน้ําที่สะอาดน้ําบริสุทธิ์ก่อนที่จะผู้ที่ล่วงลับดับขันไปญาติพี่น้องก็ต้องเอาน้ํามะพร้าวมาลดหน้าเพื่อให้บริสุทธิ์จะก่อนไปสู่ปรตโลกภายภาคหน้าหลวงพ่อไปเห็นเลยกัน่ะทุกคนก็หญิงเขี่ยวเใช้น้ํามะพร้าวทั้งหมดนะเพราะนั้น ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งไหนที่เป็นธรรมสิ่งไหนที่หมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาสบายอกสบายใจผู้เกี่ยวข้องสบายใจเราก็ควรจะพูคิดอย่างนั้นทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้น้าเราพวกเราทำอย่างนั้นได้จะไปอยู่ณสถานที่ใดก็ตาม ชุมชนนั้นก็จะสงบพรมเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันแต่ถ้าไปที่ไหนไมีต่เอาไฟเอาไฟเผากัน <c oughs> มีแต่คนนั้นผิดคนนี้ถูกมีแต่ถูกตัดตัวคนเดียวกลุ่มของเราคนเดียวคนอื่นผิดหมดนะอย่างนั้นเดือดร้อนแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นพูดได้วันนั้นพวกเราให้มองตอนเองสิ่งไหนก็ตามให้มองตอนเองว่าข้าไปเจ้าคิดถูกไหม ทำถูกไหมพูดถูกไหมถ้าพวกเรามองตนเองไว้อยู่เสมอความถูกต้องก็จะเกิดขึ้นกับเราก่อนจากนั้นก็คนนั้นก็ถูกคนนั้นก็ถูกถูกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีแต่คิดอยากจะให้ให้คนอื่นคิดดีทดําดีพูดดีมีตะคิดคนอื่นแต่ตัวเองมีแต่คิดชั่วช้าลาหมกเสียหายการพูดออกไปการกระทําออกไปมันก็ไปแนวแถวความ คิดของตนเองนั่นแหละเพราะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่ออกไปจากที่ไหนออกไปจากกายวาจาใจของเรานี่แหละพอให้ ต, วตรวจตาดูกายวาจาใจของเรากรรมคือการกระทำหนักกว่านั้นก็นให้ดูใจเอาสติจับภาวนากำหนดลมหายใจดูอะไรไม่ใช่ดูกายนะดูกายไม่ต้องทาจิตก็ได้มองกันก็เห็นดูกายเดินไปเดินมา ยังไงมองเห็นตัวเองอยู่เราทำไมจึงดูลม่มก็เพื่อจะให้ดูใจในแนวความคิดของตนเองนี่แหละให้มีสติสัมปชัญญะให้ดูใจของตนเองความนึกคิดของตัวเองมันซ่าไม่รั่วไปต่อที่ไหนต่อที่ไหนแต่นี่เราจะให้ความซ่าให้มันมารวมเป็นหนึ่งเพื่อจะให้มันเป็นเกิดพลังถ้าจิตใจของเรารวมเป็นหนึ่งกหนด ที่ลมหายใจเข้าออกเป็นสมาธิดีแล้วจิตใจของเราจะเป็นพรังในเมื่อเป็นพรังเราจะนําจิตใจพิจารณาทางวิปัสสนาด้วยกาพิจารณาทางโลกก็ไม่หลงโลกหลงทางเพราะเราใช้แนวแถวของพระธรรมคำสอนสอนของพระพุทธเจ้าแนวแถวของครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษามาและจากนั้นก็นํามาว่า เราคิดผิดหรือเราคิดถูกในเมื่อเรารู้ต้นตอในความคิดแล้วเราจะปล่อยไปในทางผิดแล้วเราจะปล่อยไปทางถูกถ้าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่เราก็ต้องปล่อยไปในทางถูกต้องในเมื่อถูกต้องในความคิดแล้วทุกอย่างมันก็ถูกต้องไปด้วยเพราอะไรเพราะใจของเราเป็นสมาธิถ้าเมื่อเราพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อจิตใจของเราสงบ เป็นหนึ่งนิ่งไม่กระสับกระส่ายเราจะพิจารณาร่างกายของเราตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกในร่างกายของเราเป็นสุภาพนะร่างกายสังขารไม่ยั่งยืนนะร่างกายสังขารอีกสักวันหนึ่งต้องแตกสลายนะอีกสักวันหนึ่งร่างกายของเรานจะต้องตายจะต้องนอนทับถมแผ่นดินไม่เป็นอย่างอื่น ใช่ไหมนี่เมื่อใจเป็นสมาธิดีแล้วใจนิ่งแล้วให้กำหนดดูใจให้ใจถามใจใจจะรู้ด้วยด้วยใจของตนเองมันซึ้งทางปัญญาเมื่อมันเห็นร่างกายสังขารร่างกายของเราไม่ใช่เราและส่วนอื่นเป็นสามีภรรยาลูกหลานรักขนาดไหนเกลียดขนาดไหน ไม่พอใจไปพอใจขนาดไหนขนาดร่างกายของตนเองยังไม่ใช่เราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราจะเป็นเรื่องของเราได้อย่างไรยมันปฏิเสธที่ใจของเราหนาถึงนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทีแรกก่อนดูดอกดูผลดูยอดใบไม้ซะก่อนผลที่สุดมันก็รวมมาหารากแก้วคือต้นตอคือใจนั่เองเข้ามาหาแก่น แก่นกคือใจนั่นเองการปฏิบัติธรรมต้องเข้ามาหาใจถ้าดูใจรู้ที่ใจปล่อยวางที่ใจจะหลุดพ้นที่ใจจะไม่ยึดมั่นถือมันที่ใจจะเบื่อหน่ายคลายจะมีนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายที่ใจไม่ยึดมั่นถือมันที่ใจธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่อื่นอยู่อื่นไกลนะแต่อันดับแรกเราก็ต้องหาภายนอกซะก่อน อย่างที่ได้พูดเรื่องทั้งหลายคืออะไรก่อนที่จะเรียนหนังสือเรียนหนังสือใครเป็นคนเรียนให้เราเราจึงจะรูนะ้เราเรียนเองการออกกำลังกายใครเป็นคนออกเราออกเองการปฏิบัติธรรมจะให้ใครเป็นผู้ปฏิบัติแทนเราไม่ได้เราต้องปฏิบัติเองนี่สรุปแล้วก็คือเรารู้เองเห็นเองรูแจ้งเองจะให้ใครอื่นทาแทนเราไม่ได้ คนอื่นยัดเยียดยังไงมันันก็ยัดเยียดไม่เข้าเพราะเหตุใดเพราะมันเรื่องของใครของเรา่อนนั้นพวกเราเชื่อมั่นในการประพฤติธปฏิบัติตนเชื่อมั่นในทำคาสอนเชื่อมั่นในการดําเนินชีวิตการคิดการทำการพูดของเราเองนะรับผร อ, อนุโมท น, นาให้ผ่